คุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องชีวิตประจําวันของพระแล้วก็เกี่ยวข้องไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยก็คือเรื่องสวดมนต์เรามาทำวัดเชา้าทำวัดค่ํำก็มีเรื่องสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากทำวัดเชา้าทำวัดคำ่ำก็ยังเวลามีพิธีกรรมจะทําบุญในวัดก็ตามนอกวัดก็ตามก็มีการสวดมนต์เป็นหลัก ถ้าเป็นงานมงคลก็เรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์ถ้าเป็นวันงานอาวมงคลงานอาวมงคลก็คืองานเกี่ยวกับคนตายเนะีเกี่ยวกับงานศพไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงแล้วหรือเป็นเรื่องปัจจุบันก็เรียกว่าสวดพระพุทธมนต์ใช้ต่างนะเจริญพระพุทธมนต์กับสวดพระพุทธมนต์ แต่ถ้าเป็นเรื่องการสวมดมนต์ทั่วไปก็ใช้แค่ว่าสวมดมนต์เฉยๆทีนี้การสวมดมนต์นิดเดิมเป็นเรื่องของการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทรงจําด้วยปากเปล่าเพราะสมัยก่อนเดิมทีเดียวนั้นการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ใช้ท่องแล้วก็มาสาธยายพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีรักษาคําสอนที่แม่นยํามากเพราะว่ามาสวดพร้อมกันอย่างนี้นี่ผิดตัวเดียวไม่ได้ถ้าผิดคำหนึ่งก็เข้ากับพวกไม่ได้ตกหล่นคําหนึ่งก็ไม่ไหนเกินก็ไม่ได้นีต้องเหมือนกันอะ ตั้งสวดพร้อมกันไปด้วยกันได้ไ ด, ด้ีก็เลยเป็นวิธีรักษาคําสอนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้แม่นยํามากยิ่งกับตัวหนังสือสมัยก่อนนี่ตัวหนังสือต้อ ง, องคัดลอกพอคัดลอกทีก็ต้องมีหล่นมีตกมีพลาดทุกครั้งไปอย่างที่เขาลอกตํารายากันเขาบอกว่าลอกเจ็ทีก็กินตายพอดีนะ อันนี้ก็เลยต้องระวังมากมท่านถือเป็นเรื่องสําคัญมากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะหลักพระศาสนาเนี่ยนี่ก็ทำบวชในที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บัญญัติไวเ้เป็นเหมือนพระศาสดาเพราะพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอะไรเป็นตัวแทนพระองค์แล้วก็โค้ดสิ่งที่สิ่งที่พระองค์สอนเพราะฉะนั้นเมื่อจะบริณิพพานพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งใครเป็น ผู้แทนของพระองค์เป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นประมุขของคณะสงฆ์แต่ตรัสว่าเมื่อเราร่วงรับไปแล้วทำละวินัยที่เราแสดงไว้แล้วและบัญญัติไปแล้วนี้จะเป็นศาสดราของเธอทั้งหลายยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ยิ่งถือเป็นเรื่องสําคัญพระเถระสมัยนั้นก็เลยว่าทําไงจะรักษาคําสอนให้แม่นยําที่สุดเนี่ยการที่จะมาทําให้คลาดเคลื่อนนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก อันนั้นก็เลยต้องมีการรักษาซึ่งแต่ก่อนพระก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็รรักษาอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยิ่งต้องมาประชุมกันอย่างที่เรียกว่าสังขายนามารวบรวมมาประมวลมาตกลงกันในที่ประชุมแล้วก็เมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็สวดท่องกันได้เลยสวดพร้อมกันเรียกว่าสังขายนาสังขายนาแปลว่าการสวดพร้อมกันหรือสังคีติ ภาษาบาลีนิยมใช้สังคีติมากกว่าแปลว่าการสวดพร้อมกันก็สวดพร้อมกันก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันทำให้คงอยู่อย่างเดิมแน่นอนเปลี่ยนแปลงพลาดขึ้นเพิ่มเติมไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เพื่อให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นก็แบ่งคณะกันนะพระเทรรองค์นี้มีลูกศิษย์ลูกหามากเป็นผู้ใหญ่ ก็มอบหมายว่าท่านเป็นผู้ฉลาดชำนาญในด้านนี้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนนี้ชำนาญมากอธิบายได้เก่งให้ท่านรับผิดชอบกัหมู่คณะของท่านเนี่ยทรงจำส่วนนี้ไว้ชนทีคนิกายส่วนองค์นี้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบส่วนมัชิมณิกายองค์นั้นรับผิดชอบส่วนอื่นตอบไปแล้วท่านก็สวดพร้อมกันอย่างเงี้ยมีการสวดอยู่เสมอ นี่ต่อมาพอสอใกล้ๆห้าร้อปีเนี่ยที่ลังกาก็มีการจารึกพุทธพจน์ลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อจากนั้นก็การสวดรักษาพุทธพจน์ก็ก็ถือเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับหมดความจำเป็นใช่ไมไม่ใช่เป็นกิจจำเป็นอีกก็เลยการสวดมนต์สายใหญ่คำสอนก็ค่อยๆน้อยลงไปก็เอามาเป็นเรื่องของลายลักษณ์อักษรต้อง มากําชับกันว่าจะคัดลอกอย่างไรไม่ผิดพลาดนีก็ถือกันว่าเนี่ยถ้าหากว่าได้สร้างพระธรรมหนึ่งอักษร น, นี่มีค่าเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะสบราณถืออย่างนั้นเลยให้ความสําคัญว่าถ้ามองในทางมุมกลับก็คือว่าถ้าทํำลายให้เสียหายหนึ่งอักษรก็เท่ากับทําลาย พ, พุทธรูปหนึ่งองค์รู้กันนะแต่เขามองไปในแง่บวกว่าสร้าง พระธรรมหนึ่งอักษรเท่ากับสร้าพระพุทธรูปหนึ่งองค์มีบุญมากได้บุญมากเดนนี้น่าจะเอามาพิจารณาแง่นี้เพราะไปสร้างพระพุทธรูปกันมากเกินไปแทนที่จะมาสร้างพระธรรมใช่ไหมซึ่งมีค่าอักษรหนึ่งก็เท่ากับสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งแหละคนเดนนี้กลับไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะธรรมได้มีค่าในแง่กันตัวธรรมะคําสอนที่เอามาใช้ปฏิบัติได้เป็นตัว พุทธพจน์ที่เป็นภาษาสระของชาวพุทธนี่เราก็รักษาสืบต่อกันมาทีนี้ต่อมาก็เกิดมีประเพณีเรื่องการสวดมนต์การสวดมนต์ในสมัยหลังนี่ก็เมื่อความหมายในเชิงของการรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าลดน้อยลงไปก็มาใช้ในความหมายอื่นคือใช้ในความหมายเช่นว่าเป็นเครื่อง สัรวมจิตหรือนําจิตโน้มจิตเข้ามาสู่ความสงบสมาธิหรือเป็นเครื่องนําศรัทธาปัสสาธะใช่ไหมแต่ก็ยังเป็นประเพณีว่าในแง่หนึ่งก็เป็นการสาธยายคําสอนพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้ฟังเอามาบางส่วนก็ยังดีเป็นสิริมงคลเวลามีงานพิธีอะไรก็เอ้ามาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ากันนะแต่นี้ ส่วนหนึ่งนะั่นก็จะมาในแง่ว่าเป็นเครื่องโน้มจิตให้เกิดศรัทธาปัสสาธามีปิติอิ่มใจน้อมไปสู่ความสงบเป็นสมาธิบางทีก็ใช้เป็นส่วนนําสมาธิก่อนที่จะเจริญจิตตภาวนานั่งสมาธิกันก็มาสวดมนต์กันก่อนจิตของเราที่วุ่นวายกับเรื่องต่างๆมาถึงมันนั่งสมาธิทันทีมันยังฟุง้งก็สวดมนต์กันซะพร้อมเพียงกันเนี่ยจิตก็โน้มเข้ามา สู่ความสงบเท่าั้นมาอยู่กับถ้อยคําที่เป็นพุทธพจน์กคมบาลีที่ท้าร้อยกลองว่าอย่างดีจิตก็จะมาสัมผัสกับเรื่องของความงดงามของถ้อยคําหรือจังหวะทํานองที่ดีเนี่ยทำให้จิตใจสงบก็เป็นเบื้องต้นของการที่จะเจริญสมาธินะอันนี้ก็มาทำเป็นกิจกรรมสูงโรง่งก็เลยมีความหมายในเชิงของกิจกรรมของหมู่คณะของชุมชน เป็นโอกาสที่จะได้มาพบปะพร้อมเพียงกันก็เป็นวัดคือมาวัดก็คือเป็นข้อปฏิบัติประจําเช่นประจําวันนะก็เลยต่อมาก็การสวดมนต์นี้ก็เป็นกิจวัตรนะมาทําวัดเชา้าทําวัดคำ่ำก็หมายความว่ามาทําข้อปฏิบัติหรือกิจกรรมประจําวันในส่วนภาคเช้าภาคค่ําโดยมีการสวดมนต์เนี้ยเรียกว่าทําวัดวัดแปลว่าเข้อปฏิบัติประจําอันนี้ก็ เป็นโอกาสให้ได้มาประชุมพร้อมกันเพราะพระสงฆ์อยู่ในวัดเดียวกันก็ควรจะมีโอกาสได้มาพบปะพร้อมกันบางชัดบางวัดนี่ก็ไม่ได้ฉันพร้อมกันแต่ก็มาสวดมนต์พร้อมกันมีสัญญาณตีะระฆังว่าเอานะมาพร้อมกันสักทีในวันหนึ่งก็ได้พบกันสองคนะประธานคือเจ้าวาดมีเรื่องอะไรจะบอกจะแจ้ง ข่าวคราวค ว, วามเป็นไปข้าหมู่คณะก็จะได้ทีโอกาสแจ้งตอนนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปในวัดของเราควรจะแก้ไขป ร, ปรับปรุงก็จะได้มาปรึกษาหรือแล้วก็จะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความประพฤติเนี่ยได้เกิดขึ้นในวัดเราที่มันไม่เหมาะสมและควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะได้มาแนะนำใช่ไหมแล้วก็อาจจะได้มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานอะไรกันด้วยก็ได้ หรืออาจจะมาอธิบายธรรมะอะไรกันอย่างที่เราทำกันนี้ก็ได้นะก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่จะมีกิจกรรมขบวนคณะแล้วก็สร้างความสามาัคคีให้เกิดขึ้นกนะลความความคุ้นเคยความสนิทสนมนะีของพระที่อยู่ร่วมกันก็มีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมของสกมมีความหมายหลายอย่างแต่นี่ นอกจากว่าในหมู่พระแล้วก็ญาติโยมก็อาจจะได้มาร่วมด้วยใช่ไหมประชาชนก็ได้มีโอกาสได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระได้รับอย่างนั้นทางในแง่การได้มาพบปะมีกิจกรรมร่วมกันได้มาใกล้ชิดกับพระสงฆ์ได้มาฟังท่าได้มาร่วมสวดมนต์ได้ทําจิตให้สงบเป็นฐานเป็นบาตเป็นเครื่องเตรียมจิตให้สู่สมาธิอะไรก็ได้ประโยชน์ไปด้วยหมดทีนี้มาพูดถึงลงบทสวดมนต์ บทสนมนโดยทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยจะแยกได้สามประเภทประเภทที่หนึ่งก็เป็นเรื่องแต่เดิมก็คือว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเอามาจากพระไตรปิฎกถ้าเป็นประเภทคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเอามาจากพระไตรปิฎกไปเลือกคัดเอกมาเช่นบทสวดมงคลสูตรอเสวานาจจพาลานังอย่างเงี้ยนะหลายบทเลยเอามาจากพระไตรปิฎกก็ทำเป็นคําสอนดีๆท่านการคัดเลือกมา ชื่อก็ดีเหมาะเอาไปใช้สวดในงานมงค ล, ล ก, ก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยแล้วก็เนื้อหาก็ดีมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัตวไว้แต่เป็นมงคลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติการพัฒนาชีวิตนะหนึ่งก็เป็นประเภทคําสอนของพระพุทธเจ้าโพธิพจน์จากพระไตรปิฎกสองก็เป็นประเภทบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สารเสวนคุณพระรัตนตรัยสารเสริญ ค, คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. นะเรียกว่าอิติปิโสอย่างนี้ mm hmm. ใช่ไหมบทสวดธรรมวัดโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นบทประเภทสารเสริญพุทธคุณ mm hmm. ธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโยโสรพระขารังสมมาสัมพุทโธลยบทบทสวดอย่างนี้ก็เยอะพอสมควร mm hmm. นะก็จะให้น้อมจิตเข้าไปสู่พุทธคุณเอาพุทธคุณมาเป็นอนุสติ แล้วก็เมื่อลึกลึกถึงพุทธคุณธรรมกุณสังฆคุณก็น้อมจิตไปสู่ความดีงามหรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องระลึกในการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็ใช้ได้ทีนี้บทสวดประเภทที่สามก็จะเป็นบทประเภทอวยชัย ใ, ให้พรเนนะตั้งจิตปรารถนาดีบทสวดประเภทนี้มักจะเป็นบทสวดประเภทที่เรียบเรียงขึ้นภายหลัง เช่นอย่างสดบทที่เราสวดกันมากที่สุดเลยนะเพราะว่าตุศัพ์พมังคาลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาเนี่ยสวดทับทุครั้งเลยเวลามีงานพิธีบทนี้เป็นบทที่เกิดภายหลังไม่มีในพระใจบินฑบาแล้วตอนหลังๆนี่บทที่มาหรือเนื้อจากวยใช้ให้พอรอีกตั้งจิตปรารถนาดีนะ มันชักจะเลยไปทางคล้ายๆเกือบจะอ่อนวอนจะแล้วเนะ่ยบทสวดประเภทนี้เกิดทีหลังเท่านั้นนะก็แต่งกันขึ้นแต่งกันขึ้นมาก็ไปอ่านว่าครบและสามประเภทนะหนึ่งประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากมาจากพระใจบปนดิมสองประเภทสารเสริญขุณพระตนตรัยและก็สามพวกอ้ยชายให้พร ก็จะเป็นประเภทที่ส่วนมากเกิดขึ้นภายหลังพระอาจารย์ภายหลังเรียบเรียงรสจนาขึ้นถ้าเป็นพุทธพจน์โดยมากก็จะพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ด, ดีก่อนซึ่งเป็นเรื่องคำสอนแล้วก็จะบอกว่าการประพฤติปฏิบัติงั้นก็จะเกิดผลดีอย่างนั้นๆนซึ่งเป็นเรื่องของผลดีเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตาแต่บทสวดวจะให้พร น, นี้อึอัขึ้นมาก็ให้พรกันตั้งจิตปรารถนาดีต่อกัน ก็าตามหลักศา ส, สนาก็ถือว่าเป็นการสแสดงความปรารถนาะดีตั้งจิตเมตตาก็ดีแหละใช้ได้แต่ว่าอาจจะต้องระวังบ้างว่าทําไม่คุมกันไว้เนี่ยมันจะออกไปเชียดเฉียดกับศาสนาโบราณเดี๋ยวจะใกล้ลัที่อ่อนวอนไปเอาละครับก็เป็นความรู้ทั่ ว, วไปทีนี้มาพูดถึงหนังสือสวดมนของเรา หนังสือสวมนต์ที่ใช้ประจําของเราเนี่ยก็มาจัดเป็นบทสวดประจําวันบทสวดประจําวันนี่ขอทําความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่จัดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในสํานักเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาสวดประจําวันกันอย่างนี้เนี่ยคือหมายความบทสวดมีมากมายทีนี้บางบทในพระเราก็สวดอยู่เป็นประจําแล้วก็ควรจะมาทบทวน หีืบางบทก็ไม่เคยใช้ก็ควรจะจําไว้ได้ด้วยนี่เรามีเวลาเจ็ดวันบทสวดก็มีมากมายในวันเดียวนั้นจะสวดหมดก็ไม่ไหวทําไงดีก็มาจัดกันในเจ็ดวันนี้สิเอาบทสวดหมดนั้นมาทบทวนกันบ้างหรือมาจัดเพื่อให้มีโอกาสได้สวดบ่อยๆจะได้จําให้แม่นบ้างท่านก็จัดของท่านแล้วแต่ท่านจะเห็นสักควรอีกทีนี้ของเราเราก็จัดนะก็มาดูว่า ตอนนั้นพระก็มีเมื่อกี่องค์ก็พระมาจากพระเก่าซึ่งสวดบทสวดมนต์ต่างๆก็ได้มามากแล้วนะก็เลยเอ้ามาจัดว่าว่าอาทิดวันจันนี่เอาบทสวดที่ใช้ในงานมงคลทั่วๆไปนะซึ่งเป็นบทสวดที่ใช้มากแต่ทีนี้อว่าอาทิตย์นี้เป็นบทสวดที่ใช้มากที่สุดใช้ประจําเลยอย่างมงคละสูตรอะไรอย่างี้นะ ตอนนี้หลายบทที่ใช้กันมากใช้ประจำบ่อยได้คล่องอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็เป็นระยะแรกๆ ก, ก็เอบทสวดมีเยอะก็ตัดตั ด, ตดออกซะบ้างเพราะฉะนั้นบทสวดวารทิศเนี่ยที่จริงไม่ครบบทสวดที่ใช้ประจายังมีอีกแต่เพราะเห็นว่าพระที่มาสวดกันอยู่เป็นพระเก่าหลายบทนี้จะคล่องจนเหลือเกินไม่จาเป็นอะไรจะต้องมาสวดอีกก็เลยไม่เอามาใส่ ก็นั่เรื่องมันก็เลยยังค้างอยู่ว่าบทสวดได้ไม่ครบนี่เป็นเรื่องของความเป็นมาของสำนักนะฮะเอาบทที่ใช้น้อยหน่อยนะให้จาไว้นะวันจันทร์นี่เป็นบทที่อย่างเดียวกับวันอาทิตย์นั่นแหละที่ใช้ในงานมงคลแต่เป็นบทที่ใช้น้อยหน่อยนะหรือน้อยกว่าทีนี้ต่อไปวันอังคารวันอังคารก็เป็นบทสวดพิเศษบทสวดพิเศษก็ เช่นบทสวดงานมงคลในพระราชพิธีในวังเนี่ยก็อาจจะอยู่ในประเภทอันที่หนึ่งที่สองแต่ว่าเพราะใช้เฉพาะในวังข้างนอกไม่ใช้บทอรหังสัมมาสัมพุทโธโลก า, น, านังอนุกรรมปโกรหรือบทยังๆเทวมนุษย์สานังเนี่ยใช้แต่ในวัง เ, เป็นบทสวดพิเศษก็แล้วกันทีนี้ก็น้อยไปก็เลยเพิ่มมาอีกเอาบท ป, ปัจิตตาอภินาจบจเวกคณะข้อที่บรรพชิตควรพิจารณา1นึประการซึ่งเป็นของเหมาะสําหรับพระสงฆ์เพราะเป็นข้อพิจารณาชีวิตของตนเองการประพฤติปฏิบัติไว้เตือนใจบางวัดท่านสวดเป็นประจําเลยทุกวันเลยทีนี้เราก็เอามาแทรกไว้ในวัดในวันอังคารเป็นบทสวดพิเศษด้วยต่อไปก็จะเพิ่มอีกที่คิดไว้ะจะเพิ่มอีกเยอะ เป็นบทสวดเกี่ยวสังฆวัตถุซึ่งก็เป็นบทสวดพิเศษที่ทั่วไปก็ไม่ได้สวดกันอานี่ก็วันอังคารแล้วต่อไปวันพุธวันพุธนี่เอาละก็เปลี่ยนมาเป็นงานอาวบมงคลบ้างเป็นงานศพวันพุธนเป็นบทสวดมาติกาเป็นบทสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีนี่ใช้ในงานศพ ปัุดแต่ว่าเราไม่ต้องถือที่จริงความจริงเนี่ยที่เขาเลือกเอาบทสวดอภิ ธ, ธรรมไปสนสวดในงานศพเนี่ยเพราะเขาต้องการสิ่งที่เป็นหลักคำสอนสําคัญเลยเพราะว่างานศพเนี่ยมักจะเป็นงานศพ บ, บิดามันดาเันั้นคนจัดงานศพนี่ที่สําคัญที่สุดก็คือจัดให้บิดามันดา บิดามันดานี่ยเป็นยอดของผู้มีพระคุณนี่ก็ต้องเอาที่ดีที่สุดนะโบราณก็ถือกันว่าพระพระพิธรรมเนี่ยเป็นคําสอนที่ยอดสุดนะโบราณถือกันว่า ง, งั้นอนะ่ะเหมาะสําหรับใช้ตอบแทนคุณบิดามันดาเพราะฉะนั้นเวลาสร้างคำภีก็นิยมมาสร้างพระอภิธรรมเนี่ตอบแทนคุณบิดามันดาอันนั้นเวลามาใช้ในงานศพก็สวด ทำพีหรือบทสวดที่ถือว่าเยี่ยมยอดก็คืออภิธรรมใช่ไหมนอกจากนั้นอภิธรรมก็เป็นหลักธรรม ก, กว้างๆด้วยสําหรับให้พิจารณาความจริงของธรรมชาติรวมทั้งชีวิตด้วยและได้ทั้งสองแง่ทั้งแง่ตอบแทนพระคุณทั้งได้หลักธรรมที่แสดงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและชีวิตอ้าวทีนี้ก็ผ่านไปวันพุธต่อไปวันพฤหัสวันพฤหัสก็เนื่องกันในงานศพงานวัดมงคล น, นั้น บทสวดอริธรรมนั้นก็จะใช้ในพิธีเช่นมาติกาสวดอริธรรมตอนกลางคืนอะไรงี้นะทีนี้เวลาสวดพระพุทธมนต์ที่คู่กันกับเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ฉั้นเพล น, นเอ้งานอวบมงคลก็มีสวดพระพุทธมนต์ชันเพลนอันนี้ก็เลยเอามาอีกชุดหนึ่งบท สวดพระพุทธมนต์สาหรับงานอาวมองคลก็ไปอยู่นพระฤหัตนะเนี่ยสวดพระพุทธมนต์ก็มีบทยถาพิเสลาอะไรแต่ไร เ, เป็นบทเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเชนะ่นบทยถาพิเสลาก็บอกว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินเป็นแท่งทึบนะกลิ้งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ บทขยี้สัรตสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางหนีรอดไปชันใดเลยต่างๆความแก่ความตายก็บทขยี้สันติสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นอะไเนียเป็นกติเตือนใจแล้วก็มีบทอื่นๆที่ว่าคนใดที่ว่าได้เจริญธรรมะหประการมีศรัทธาสีลสุจริตจักปัญ ญ, ญาธนิบมีชีวิตไม่ว่างเปล่าเท่ากับว่าเออคนที่ตายไปแล้ว ก็ถ้าได้มีธรรมะเหล่านี้ก็เป็นชีวิตที่มีค่าให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติโดยเจริญธรรมะเหล่านี้นต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนการจะได้มีชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าเป็นไม่เป็นโมฆะเลยก็เป็นบทสวดเตือนใจนะให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้สร้างสรรค์คุณงามความดีได้รู้ความจริงของชีวิตอะไรนี่นะนี่เป็นบทสวดพระพุทธมนตรในวันพระฤหั ส, ดสบดีเป็นบทสวดพระพุทธมนตรในงานอาวมงคล โดยปกติจะใช้ตอนสวดมนแล้วก็ฉันเพลต์ต่อต่อไปวันศุกรนะ์ทีนี้วันศุกร์ก็เป็นที่รวมของบทอนุโมทนานะบทอนุโมทนาให้ผ่อนแล้วทีนี้เวลาพระสวดมนแล้วฉันเสร็จแล้วทีนี้ก็มีการอนุโมทนาทั้งงานมงคลและว่งงานอาว่ามงคลนะก็เอาบทสวดอนุโมทนาไปอยู่วันศุกรนะ์ ก็มีหลายบทยังไม่หมดหรอกเอาไว้เฉพาะที่ควรจะใช้ก่อนเพราะว่าเยอะแล้วทีนี้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้มาเป็นวัดมีพระมากขึ้นมีโยมเกี่ยวข้องมากขึ้นต่อไปอาจจะต้องใส่ให้เต็มให้ครบซะนี่ตอนอวันเสาร์ก็เหลืออยู่วันและเป็นนั้นว่าบทสวดที่จะใช้ประจําทั่วไปนี่ครบพอแล้วก็มาบทพิเศษบทพิเศษบทใหญ่ก็เลย เอาไว้สวดธรรมจักรประวัตินสูตรวันเสาร์นะพอธรรมจักรบทเดียวก็พอแล้ววันนั้นเนะียาวบทสวดธรรมจักรนี่เดี๋ยวนี้นิยมใช้ในงานวันเกิดใหญ่ๆก็จะไปแทรกเสริมเข้าไปในบทสวดวันอาทิตย์บทสวดอาทิตย์ที่เป็นบทสวดเจริญพุทธมนตรในงานมงคล ก่นเกิดก็ต้องใช้ด้วยแต่เสร็จแล้วงานใหญ่ๆก็นิยมเอาธรรมจกรักกวัตนะสูตรเข้าไปแทรกเพิ่มอีกหนึ่งสูตรคอจริงงานศพเขาก็มีนะบทสวดใหญ่ๆเรียกว่าเจ็ดวันให้สวดบทนี้ฮะสิบวันสวดบทนี้อะไรเงี้ยนะก็มีบทตอนนี้เรามาใช้แต่ธรรมนิยามาสูตรที่จริงเขามีอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลกนัสูตรแต่เดี๋ยวนี้ไม่แทบจะไม่มีงานไหนสวดแล้ย ก็สวดธรรมนิยามาสวดที่มีอยู่แล้วในวันพระฤหัสบดีเป็นพื้นอันนี้ก็เป็นอันว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดที่มีอยู่ในหนังสือที่เรามาสวดกันเป็นประจําวันในตอนค่าหลังจากทำวัดค่าเป็นบทบทส่วนมนต์ต่อท้ายทำวัดค่าก็เป็นเรื่องชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งก็เอามาเล่าถวายให้ เกอดความรู้ผัพหัวใจนะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะฮะประจำวันเพราะว่าเดี๋ยวผ่านไปลเลยไม่รู้อะไรก็สุดจบกันไปแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตนทำใช่ไหมนี่ถ้าสงสัยอะไรก็นิมนนะจะได้ถามให้รูนะ้นี่เป็นตัวอย่างของการบอกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันถ้าบางทีผมนึกอะไรไม่ออกก็ท่านก็เก็บเอามาถาม วันมงคล ง, งานเจริญพุทธมนต์งานมงคลก็จะมีการชุมนุมเทวดาเพราะฉะ น, นั้นวันอาทิตย์ก็เป็นเจริญพุทธมนต์เป็นวันมงงานมงคลก็ชุมนุมเทวดาแล้วก็วันจันทร์ก็ชุมนุมเทวดาวันอังคารก็อยู่ในบทสวดพิเศษที่บทสวดในวังใช่ไหมฮะก็ยังเนื่องอยู่ในงานมงคลก็เอาชุมนุมเทวดาด้วยพูดพริหัตไว้ต้อง งานอวมามงคลทีนี้สุกนั้นเป็นวันเป็นสุกนั้นเป็นบทสวดอนุโมทนาก็ไปเนื่องอยู่กับงานมงคลเป็นส่วนมากก็เลยเอาชุมนุมเทวดาซะด้วยแล้วก็แม้จะมีบทสวดงานอว ม, ามองคลก็แทรกอยู่นิดเดียวนะอนุโมทนามีงานาอวมงคลด้วยอัธสิเมะนะแล้วก็ไปวันเสาร์วันเสาร์วันธรรมจักรก็บทจเจริญพุทธมน โดยเฉพาะก็วันเกิดใช่ไหมก็ไปแทรกอยู่ในงานมงคลเหมือนกันก็ชุมนุมเทวดาด้วยชุมนุมเทวดาเคยอธิบายแล้วนะบอกว่าให้โอกาสเทวดาชวนเทวดามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยท่านจะได้เอาธรร ม, มานีไปไประพฤติปฏิบัติขัดกล่าวกิเลส ข, ของตนเองในะพัฒนาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นก็ เป็นประเพณีนะระเพณีไม่อยากให้เทวดามายุ่งมงทานนะหรือว่าเออไม่ไม่ต้องให้เทวดาเทวดาจะไม่ก็อชอบงานแบบนี้นะแต่งภายหลังภายหลังนานเป็นของยุคหลังตอนแรกที่คล้ายๆว่ามาค้นพบกันใหม่ เพราะหลังจากเลือนลางเป็นนานเนี่ยก็เข้าใจเป็นของสมเด็จโตสมเด็จพุทธาจารย์โตระกขังเข้าใจกันบ้างงั้นต่อมาปรากฏว่าอ้าวในรังกามีนี่ไปเจอก็ทีหลังในรังกามีเก่ากว่าแสดงว่าเข้ามาจากรังกายทีแต่ว่าไม่ทาราบว่าแต่งเมื่อไหร่ยังบทสวดงานศพก็ยังมีสวดพระมลายอันนั้นก็เป็นประเพณี เรื่องพระมาไหลนี่ก็เป็นเรื่องหลังพุทธกาลนานเกิดในลังกาเรียกมารยะชนบทในลังกาทวีก็เป็นตำนานนะฟาหงก็เป็นบทที่เอาเนื้อเรื่องความในสมัยพุทธกาลตำนานเรื่องประวัติความเป็นไปในปในพุทธประวัติเนี่ยเอามาเรียบเรียงแต่งขึ้นมาภายหลังนะแต่นี้อิงอาศัย เมือนเขาแต่งเรื่องอิงประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นการสรุปประมวลเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีชัยชนะบุคคลหรือว่าอะไรหรือบุคคลหรือว่าแม้แต่สัตว์ใช่ไหมต่างๆที่เป็นผู้ร้ายเข้ามากลับให้เป็นดีไปใช่ไหมก็เลยถือเป็นบทชัยชนะ ก็มาตั้งเป็นบทเรียกกันง่ายๆพาหุงเพราะว่าเริ่มต้นสวดว่าพาหุงขึ้นนำหน้าก็เรียกบทพาหุงก็เรียกกันว่าบทถวายพรพระถวายพรพระก็มีบทพาหุงนี่เป็นหลักนะแต่ว่ารวมบทสวดที่สวดในพิธีอย่างนั้นสั้นๆไม่ต้องการเจริญพุทธมนต์บทเต็มก็เอาแค่ถวายพรพระการสวดที่ดีนี่ อย่างที่ว่าแล้วก็น้อนมนำศรัทธาภาษาทเพราะว่าเสียงสวดเนี่ยมันเป็นของเทียบเคียงกันเรื่องการร้องเพลงสับก็ใช้สับเดียวกันคีตะแปลว่าเพลงนการสวดก็ใช้ขีตตะคีติเหมือนกันอย่างสังขยางสังคีติสังคีติเพราะวาสวดพร้อมกันตัวสังนั้นแปลว่าพร้อมกัน ขีตะก็เพลงคีติก็การสวดนี่ก็ตัวศัพท์ภาษาบาลีก็เลยเป็นสวดศัพท์เดียวกันสังขยานาสังพร้อมขายานาแปลว่าการสวดสังขยานาก็การสวดพร้อมกันทีนี้ถูก ต, ตัวขายานาเองก็แปลว่าการร้องเพลงก็ได้ทีนี้ร้องเพลงของชาวบ้านนั้นในหลายกรณีจะเป็นการร้อง เพื่อยั่วยวนล่อเราในเรื่องกามารมแต่ก็มุ่งความไพเราะแต่ความไพเราะนั้นจะสื่อไปถึงเรื่องของกามนะมากแต่ว่าเพลงบางอย่างก็จะมีลักษณะที่โน้มมาสู่ความสงบหรือทำให้จิตใจเนี่ยได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามสูงส่งขึ้นไปก็มีนะ นี้บทสวดของพระนี่มันก็จะมาเป็นฝ่ายเนี้ยที่เป็นฝ่ายที่โน้มจิตไปสู่ความดีงามความสงบมันก็มาเป็นคู่เทียบจะเรียกว่าดุนกันก็ได้กับเพลงร้องในทางกามนี่มันก็เป็นบทสวดที่มุ่งความสงบความดีงามที่ว่าเมื่อฟังสวดแล้วก็จิตใจก็จะโน้มไปสู่ความสงบนะและก็เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของธรรมะ ก็จะมาประสานกันทําให้จิตใจเน้นนึกถึงธรรมะนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ยังมีเลยมีบทเพลงบทหนึ่งเข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรหนึ่งเลยชื่อสักกะปัญหสูตรก็เป็นเรื่องของเทพพระบุตรท่านหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวเทพธิดา ก็ขับเป็นเพลงแต่เพลงนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยธรรมะนะมีการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นบทเพลงนี้ถึงก็ได้เข้าไปอยู่ในพระใจเป็นดกเป็นพระสูตรหนึ่งนะนั้นก็ในทางพุทธศาสนานี่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพลงอยู่เช่นในอันถกถาท่านเล่าถึงครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า เคยแต่งเพลงให้มานกมานกเขาจะไปเกี้ยวสาวนีทีนี้บทเพลงนี้ก็จะเป็นบทเพลงเค้าแต่ก่อนเขาเรียกว่าขับใช่ไหมขับนี่ก็หมายถึงว่าร้องเพลงนั้นแหละเนื้อหาจะเป็นเรื่องธรรมะเนี่ยนําจิตไปสู่ความดีงามเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของกามารมณ์ทําไงจะให้ธรรมะเข้าไปแทรก เพื่อจะดึงจิตโน้มจิตของเขามาสู่ความดีงามบ้างเพราชฉะนั้นคนก็จะถูกดึงไปข้างเดียวรอเรายู่ยโยนกันแล้วก็หยาบลงไปหยาบลงไปใช่ไหมนี่เราจะปล่อยโดยไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวเลยหรือเนี่ยในทางพุทธศาสนาจะเห็นว่าท่าทีในเรื่องนี้ก็คือการที่ว่าเราต้องไปพบกับคนในจุดที่เขาเป็นอยู่แล้วจุดมุ่งหมายของเราชัดเจนก็คือช่วยเขาได้เมตตา ทำไงจะดึงนําเขาขึ้นมาสู่ความดีงามยิ่งขึ้นนะถ้าเราไม่ไปพบกับเขาณจุดที่เขายืนอยู่เขาก็มายอมกระโดดข้ามมาหาเราเหมือนกันทีนี้อันนี้ก็ขึ้นต่อสภาพเป็นล้อมและขึ้นต่อพื้นฐานของผู้คนเหล่านั้นพร้อมทั้งความสามารถของผู้สอนเองด้วยผู้สอนบางท่านอาจจะสามารถพูดนิดเดียว ทำให้คนในก้าวกระโดดมาจากจุดที่เขายืนอยู่นี่มาหาตัวเองได้แต่เราจะไปมองอย่างนั้นทั้งหมดเพราะพระในผู้สอนก็มีความสามารถไม่เท่ากันต้องนึกเผื่อไว้ด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นคนเดียวเป็นประมาณและจะให้ได้ต้องทําอย่างฉันเท่านั้นเราต้องนึกถึงท่านผู้อื่นด้วยคนที่รับฟังก็มีอุปนิสัยแตกต่างกันเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝ่ายผู้สอนก็เช่นเดียวกันก็มีความสามารถไม่เหมือนกันเมื่อมอง ก, กว้างๆอย่างนี้แล้วก็จึงต้องมีความยืดหยุ่นมีความหลากหลายแต่ว่าก็จะมีขอบเขตอย่างที่เคยพูดมาว่ามันมีว่าเกณฑ์อย่างต่ำจะต้องไม่เลยเถิดไปอย่างนี้นะแล้วก็อย่างสูงก็อย่างมากมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ภายในขอบเขตเกณฑ์อย่างต่าอย่างมากอันนี้ก็จะยืดหยุ่นให้ใช้ ความเหมาะสมที่จะให้ได้ผลนแล้วก็ขึ้นต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ฟังฝ่ายหนึ่งและความแตกต่างระหว่างบุคคลของฝ่ายผู้สอนฝ่ายหนึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยกว่ามันจะมาจบกันพอดีต้องนึกถึงว่ามันทำไงจะให้พอดีเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มันมาลงตัวพอดีก็มัชฌิมาปฏิปทาใช่ผลสาเร็จก็เกิดขึ้น เวลานี้เรามักจะเห็นเรื่องของการที่ว่าจะเอาอยางใดอย่างหนึ่งตายตัวเอามาตรฐานของตัวเข้าว่านะซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้วยแล้วก็อาจจะทําให้เสียผลที่ควรจะได้ไปนะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่นํามาพูดไว้ในที่นี้ด้วยนะที่จริงไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องนี้แล้วนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องเรื่องของบทสวดเหล่านี้ ก็มีความประสงค์ที่จะโน้มจิตของคนข้ามโมสธรรมนะแม้แต่การรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นการสาธยายคําสอนก็ยังมาเป็นการสังคีติเป็นการสวดซึ่งใช้ศัพท์เดียวกับการขับเพลงนะแต่ว่าจะเป็นทํานองที่ว่าระวังอย่างที่ว่าแล้วไงคือว่าทํานองจะต้องอยู่ลักษณะที่ จะโน้มนำจิตมาสู่ความดีงามและความสงบเรื่องของธรรมะแล้วก็ต้องทมด้วยความตั้งใจสาหรับพระนั้นความตั้งใจเมื่อเราสวดในพิธีก็คือความตั้งใจปรารถนาดีต่อผู้ฟังให้ประชาชนนี้ได้รับผลดีได้เกิดความบ่งัยของจิตใจจิตใจสงบน้อมไปสู่ธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง นี่ถ้าเราตั้งจิตปรารถนาดีมีเมตตาอย่างนี้อยู่เสมอการกระทามันก็จะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไปมุ่งว่ า, าไสปสวดทาวิธีมีพิธีก็ทาเป็นพิธีอะไรางี้นะซึ่งคำว่าเป็นพิธีมันก็เป็นความหมายสักว่าวํารรมไม่ได้ตั้งใจก็เสร็จเสร็จไปแล้วไม่มีความมุ่งหมายอะไรนะแล้วก็ผลก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ขอหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อน ก็ได้พูดถึงเรื่องบทสวดที่นํามาจัดวันเสาร์ว่าจัดบทสวดธรรมจักรเข้าไปบทสวดนี้ที่จริงก็เป็นพระสูตรเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นพระสูตรใหญ่ยาวพอสมควรนี่ได้บอกไปว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นนิยมใช้สวดในงานวันเกิดที่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวจะเผลอไปนึกว่าเหตุผลในการที่จัดเข้ามานี้เป็นเพราะ เป็นบทสวดในพิธีวันเกิดเท่านั้นที่จริงไม่ได้มุ่งแค่ว่าเพราะไปใช้สวดในวันเกิดใหญ่ๆหรอกที่เอาเข้ามาในการสวดนี้คือมุ่งความสําคัญของพระสวดนีนะ้ว่าพระสูดนี้เป็นพระสวดสําคัญมากเป็นปฐมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจา้านะเรียกว่าปฐมเทศนาก็คือเทศนาครั้งแรก แล้วก็มีชื่อว่าธรรมจกกักรปสนัสสตรแปลว่าสุดแห่งการหมุนวงล้อธรรมนะีหมายความว่าพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาหรือประดิษฐานอาณ า, าจักรธรรมก็ได้นะีนะนะ่เป็นครั้งแรกเพราะนั้นพระสูตรนี้มีความสําคัญสําคัญทั้งในแง่เหตุการณ์และสําคัญทั้งในแง่เนื้อหาประกาศหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง แล้วก็โยงเข้าไปหาหลักการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งครอบคลุมหมดก็คือหลักอริยสัจสี่โดยพระพุทธเจ้าทรงเริมในมันชฌิมาปฏิปทาเป็นจุดที่มาเชื่อมต่อระหว่างลัทธิแนวความคิดข้อปฏิบัติของยุคสมัยว่าเขามีการปฏิบัติการดำเนินชีวิตกันสองแบบที่ที่ทางพุทธศาสนาบอกว่าเป็นสุดโต่ง เชื่อมโยงมาจากสภาพความเป็นจริงของยุคนั้นพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่หมกมุ่นในการมาสุขเรียกว่าการมาสุขขัลิกาในโยกแล้วก็ที่สุดอีกหนึ่งอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่ามุ่งไปในแง่ของจิตใจจงกระทั่งว่าละทิ้งเรื่องวัตถุเรื่องทางกายทรมานร่างกายเพื่อปลดปล่อยจิตแล้วก็เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งการทรมานตนเองให้ลาบาก เป็นอัตตากิละมัฐานุโยชนี่เป็นสภาพของความประพฤติปฏิบัติและแลัที่ความเชื่อในยุคพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระาศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประกาศพระาศาสนาท่ามกลางภาวะเหล่านี้คือข้อปฏิบัติและความเชื่อในความคิดที่สุดสองอย่างที่ว่าการมาสุขาลิการุโยกกับอัตตกิละมัฐานุโยกพระองค์ก็ทรงประกาศทางสายกลางที่ ลีกเลี่ยงละเลิกจากที่สุดสองอย่างนั้ น, นเกิดมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาและมัชฌิมาปฏิปทานนี้ก็คือหลักปฏิบัติที่อยู่ในหลักการใหญ่อีกทีที่ครอบคลุมก็คืออริยสัจสี่พระพุทธเจ้าก็โยงจากมัชฌิมาปฏิปทาไปก็ตรัสอริยสัจสี่อทีแล้วก็ประกาศให้เห็นว่าที่พระองค์ได้ตรัสรูนี้ก็คือตรัสรูอริยสัจสี่นี้ถ้าพระองค์ไม่ ตัสรุอริยสัจสี่นี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็จะไม่สามารถปฏิญาณพระองค์ว่าตัดสรุแล้วได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันเนี้ยเป็นพะสูตรที่ประกาศหลักการสำคัญของพุทธศาสนาทั้งหลักการใหญ่และข้อปฏิบัติพร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันว่าสัมมาสัมโพธิญาณบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุอะไรก็จึงนามาจัดเข้าเป็นบทสวดสาคัญเนี่ย โดยที่มาประสานกาันกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันก็คือว่าเป็นบทสวดในวันเกิดใหญ่ๆอย่างที่ว่าไปแล้วนะก็ได้ความหมายทั้งสองข้อแม้แต่ที่เอาไปจัดเป็นบทสวดในวันเกิดใหญ่ๆก็คงจะมองความหมายแง่ดีด้วยว่าเป็นพระสูตรที่สําคัญก็ถือว่าเอาพระสูตรนี้มาปฐมเทศนาก็เป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของเหตุผล เป็นเครื่องปริกย่อยเกล็ดเก็ดเอามาเล่าถวายไวย้